ที่น่าใคร้น่าปรารถนาพูดง่ายๆว่าเป็นเรื่องของการสนองตัญหาว่าด้วยการมาสุขหรือสามิสสุขแล้วก็ก้าวมาสู่ฉันทะซึ่งเป็นแรงจูงใจฝ่ายดีที่มีการพัฒนานำมาสู่การศึกษาการสร้างสรรการเข้าถึงความจริงของธรรมชาติและการพัฒนาขึ้นไปในความสุขเมื่อมาถึงชันทะ เรื่องความสุขก็ก้าต่อไปดังที่ได้พูดในเรื่องระบบการทำงานว่าด้วยความสุขในการทำงานแล้วมาถึงความสุขในการศึกษาแต่เรื่องความสุขจากฉันทะยังมีต่อไปอีกจากนั้นก็มีความสุขทางสังคมสุขจากไมตรีจิตมิตรภาพสุขในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยใจมีเมตตากรุณาเป็นต้น สุขในครอบครัวในหมู่ในชุมชนที่อยู่กันด้วยความมีน้ำใจเอาใจใส่กันรักกันระลึกถึงกันพร้อมเพรียงทราบซึ้งบันเทิงใจในสามัคคีรสมีเอกภาพด้วยสารานิยธรรมแล้วก็มีความสุขกับธรรมชาติสุขจากการไปอยู่กับธรรมชาติหรืออยู่ท่ามกลางธรรมชาติ สัมผัสความสงัดสงบงามสดชื่นน่าเรื่อนรมของธรรมชาติรอบตัวทั้งหมู่ไม้สายลมขุนเขาพื้นน้ำท้องฟ้าชื่นชมพันไม้ที่สะพรั่งด้วยดอกใบและสับสําเนียงเสียงแห่งความวิเวกของหมู่นกสัตว์ป่าและท้องฟ้าครื่นคลางคราววัฏสการเป็นต้นความสุขด้านสังคมนั้นในพระพุทธศาสนาย้ำเน้นอย่างยิ่ง และสุขด้านธรรมชาติท่านก็ชื่นชมไว่มากมายให้เป็นแบบอย่างบางทีก็มาด้วยกันทั้งสุขด้านสังคมและสุขกับธรรมชาติให้อยู่กันด้วยความรักสามคัคคีแม้แต่ในแดนดงพงไพรดังในโคสิงคขาสารสูตรเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าเสด็จไปสรงเยี่ยมพระภิกษุสามรูปที่ป่าโคสิงคขสารวัน ทรงทักทายไถ่าถามตอนหนึ่งว่าดูกระอนุรุษทำอย่างไรเธอทั้งหลายจึงยังพร้อมเรียงสามคัคคีชื่อื่นบานต่อกันไม่วิวาิเป็นเหมือนน้ำน ม, มกับน้ำแลดูกันด้วยจักสุอันเป็นที่รักอยู่ได้ที่ป่านั้นท่านพระสารีบุตรกล่าวถามพระมหาสาวกรูปอื่นว่าป่าโคสิงคาสารวันนี้ หน้ารื่นรมราตรีแจ่มกระจ่างต้นสาละผลิดดอกบานสะพรั่งเต็มต้นหมดทั้งป่าทรงกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วดุดดังกลิ่นทิบก็ปานฉะนั้นท่านเอยป่าโคสินคะสาละวันจะพึงงามด้วยภิกษุเห็นปานไรในพระไตรปิฎกมีคำพีจำนวนมากที่เป็นคำประพันธ์ร้อยกรองคือเป็นคาถา และมีคาถามากมายเป็นคำพรรณนาชื่นชมธรรมชาติตัวอย่างง่ายๆคือมหาเวสันดรชาดกซึ่งขอยกมาให้ดูเป็นตัวอย่างนิดหน่อยเช่นว่าหน้าที่ใกล้สะโบกขอรณีนั้นมีฝูงนกดุเวาเมารถดอกไม้ส่งเสียงไพเราะจับใจทําป่านั้นให้ดังอึกกระทึกกึกก้อง เมื่อคราวหมู่ไม้ผลิดอกแย้มบานตามฤดูกาลรสหวานดังน้ำพึ่งเยิ้มหยดจากเกสรดอกไม้ลงมาค้างอยู่ที่บนใบบัวปานั้นมีนานากลิ่นสุคนที่ลมรำเพยพัดมาหอมฟุ้งตลบอบอวนเหมือนดังจะเชิญชวนคนที่มาถึงให้เบิกบานด้วยดอกไม้และกลิ่งไม้อันมีกลิ่นหอม มูแมลงผู้ชื่นชมกลิ่นดอกไม้พากันบินว่อนวู้บันลือเสียงอยู่โดยรอบในคราวที่พระกาลุทธายีกราโทลอาราธนาพระพุทธเจ้าเสด็จไปเยี่ยมพระพุทธบิดาที่กรุงก บ, บิลละพัทก็พนาณาถินพนาณาทางเสด็จเป็นคาถาชมธรรมชาติที่งดงามเรื่นรมบนเส้นทางที่จะเสด็จผ่านไป ประมาณห0สคาถาแล้วพระพุทธเจ้าก็ส่งรับนิมนต์ขอยกคาถาของพระกาลุทธายีมาดูเป็นตัวอย่างสองคาถาดังนี้จำปาช้างน้าวกากะทิงทรงกลิ่นหอมยามลมรำพายพัดยอดอันญพรั่งด้วยดอกเด่นตาดังว่ามีใจอาธรพากันโน้มกิ่ง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 พากันส่งเสียงกู่กันไปกู่กันมาบัดนี้เป็นเวลาที่พระองค์จะได้ทรงเห็นพระชนกแล้วรวมความว่าพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์มีจิตบริสุทธิ์แล้วก็สัมผัสชื่นชมความสงัดสงบงามน่าเรื่นรมของธรรมชาติและอยู่กับธรรมชาติอย่างมีความสุขเป็นธรรมดาส่วนพระเสะและปุถุชน ก็ได้บรรยากาศที่สงบงามมีความสุขและจิตใจที่เรื่อนรมเป็นสภาพที่เอื้อเกื้อหนุนการปฏิบัติในการพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาสูงขึ้นต่อไปนี่ก็เป็นเครื่องชี้แนวทางในการพัฒนาจริยธรรม้วยให้เห็นการที่ความดีงามพัฒนาไปด้วยกันกับความสุขให้คนมีความสามารถที่จะสร้างความสุขขึ้นเองได้และในการพัฒนาชีวิตคนก็มีความสุขไปด้วย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 ใจก็หายบีบคั้นหมดทุกข์หรือเกิดปัญหาชีวิตคิดไม่ตกก็ทุกข์ใหญ่พอปัญญามาก็แก้ปัญหาได้ใจก็หลุดพ้นจากทุกข์ปัญญาทำให้เกิดอิสรภาพในแง่ในด้านในขั้นต่างๆไปเรื่อยๆพอแก้ปมหัวใจของทุกข์หลุดไปได้ก็ถึงอิสรภาพขั้นสุดท้ายที่สมบูรณ์ก็เป็นความสุขที่สมบูรณ์ด้วย